13. ปิติทุกกะหนึ่งทัศเนนะประหาตับพระทุกกะสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นไนสังโยชน์สามคือหนึ่งสักกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉา 3. สามศิลปะตะปรามาบรรดาสังโยชน์สามนั้นสักกายทิฏฐิเป็นไงผู้ทุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สะดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตว์ุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์ุรุษไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของสัตว์ุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดละถึง ความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสกายทิฐิวิจิกิจฉาเป็นไนปุทุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระาศาสดาละถึงความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาศีลปะตะปรามาเป็นไนสมณพราหมณ์ภายนอแต่าศาสนานี้มีความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรต ด, ด้วยศีลและพรต ด, ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดละถึงความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลปะตะปรามาสสังโยสามดังกล่าวมานี้และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยสามนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยสามนั้น กายกรรมวัีกรรมและมโนกรรมที่มีสังโยชน์สามนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักเป็นฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอพยากลิที่เหลือซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุ ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสองภาวนายะปะหาตับพาทุกกะสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นไฉนโลภะโทสะโมหะที่เหลือและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกนกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่ เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นไนเว้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเหล่านั้นแล้ว สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอพยกลิทิที่เหลือซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรรปาวจรและโลกุตระได้แก่เวทนาขันธ์ละถึงวิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสทัศเนนะปะหาตักพระเหตุุกทุกะทกะ สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นไ น, นสังโยชน์สามคือหนึ่งสักกายทิฐิสองวิจิกิจฉาสศสีรพตะปาามาต์บรรดาสังโยชน์สามนั้นสักกายทิฐิเป็นไ น, นปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สะดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัจปรุต ไม่ฉลาดในธรรมของสัพปรุตไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของสัพปรุตย่อมเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดละถึงความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าสักกายติฐิวิจิกิจฉาเป็นไนปุตุชนย่อมเครือบแคลงสงสัยในพระศาสดาละถึงความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาศีลปะตะปรามาเป็นไนสมณพราหม์ภายนอกแต่ศาสานานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรด้วยศีลและพรดังนี้ ทิฐิความเห็นผิดและถึงความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสีลพตรปรามาสสังโยชน์สามเหล่านี้และกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สามนั้นได้แก่เวทนาขันและถึงวิญญาณขัน์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์สามนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีสังโยชน์สามนั้นเป็นสมุฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคสังโยชน์สามคือสกายทิฐิวิจิกิจชาสีรพตาปรามาตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโ ส, สดาปติมัคโลภะโทสะโมหะที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกันกบสังโยชน์สามนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคส่วนกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกันกบโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่ เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมพยุดด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหานั้นเป็นสมุทฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิติมักสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิติมักเป็นไนเว้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิติมักเหล่านั้นแล้ว สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่มีนับเนื่องในวัตตะทุกได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักส 4. ภาวนายปหาตัปะเหตุกะทุกะ สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นไนโลภะโทสะและโมหะที่เหลือสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามส่วนกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกันกบโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวัีกรรมและมนโนกรรม มีโลภะโทสะโมหานั้นเป็นสมุทฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นไงเว้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิตที่เหลือซึ่งเป็นกราม า, าวจรรูปาวจรอรูปาวจร และที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามห้ 5. สวิตะกะทุกกะสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นฉไฉนเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยวิตกในภูมิแห่งจิตที่มีวิตกซึ่งเป็นกลามอาวจร รูปราวจรและที่ไม่นับหนึในวัตทุกข์เว้นวิตกแล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิตกสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นไนเวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นการมาวจรรูปราวจรอรูปราวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์วิตกรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิศก์ 6. สวิจาระทุกกะสภาวะธรรมที่มีวิจาร์เป็นฉไนเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยวิจาร์นั้นในภูมิแห่งจิตอันมีวิจาร์ซึ่งเป็นกลางวจรรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัฏทุกเว้นวิจาร์แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิจาร สภาวะธรรมที่ไม่มีวิจารณเป็นไนเวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกลามาวจร ร, วจ ร, รูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับนึ่งในวัตตทุกข์วิจารณ์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิจารเจ็ดสัพพิเตกะทุกกะสภาวะธรรมที่มีปิติเป็นไน เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยปิตินั้นในภูมิแห่งจิตที่มีปิติซึ่งเป็นกลามาวจรร usions, ูปาวจรและที่ม่นับหนึ่งในวัตทุกข์เว้นปิติแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปิติสภาวธรรมที่ไม่มีปิติเป็นไนเวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีปิติซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุ ปีติรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีปีติ8ปีติสหกัตทุกกะสภาวะธรรมที่สหรโครตด้วยปีติเป็นไนะเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยปีตินั้นในภูมิแห่งจิตที่สหระคดด้วยปีติซึ่งเป็นกามาวจรูรปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตตะทุกเว้นปีติแล้ว สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยปีติสภาวะธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติเป็นไนเวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกามาวจ ร, รูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์เว้นปีติแล้วรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตด้วยปีติ ๙สุขสหคตะทุกกะสภาวธรรมที่สหรครตด้วยสุขเป็นไนสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขนั้นในภูมิแห่งจิตที่สหรครตด้วยสุขซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตตะทุกข์เว้นสุขแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรครตด้วยสุขสภาวธรรมที่ไม่สหรครตด้วยสุขเป็นไน เวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่สหรครตด้วยสุขซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรารูปาวจรและที่ไม่นับเนึ่งในวัตทุสุขรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรครตด้วยสุขสิอุเบกขาสหคตะทุกกะสภาวะธรรมที่สหรครตด้วยอุเบกขาเป็นไน สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขานั้นในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตะทุกข์เว้นอุเบกขาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นไนเวทนาขันวิญญาณขัน ในภูมิแห่งจิตที่ไม่สะหอรโคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับนึ่งในวัตถุอุเบกขารูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สะหอรคตด้วยอุเบกขาสิบเอ็ดกามาวจารทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นไน ขันธ์ธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งท่องเที่ยวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้คือเบื้องต่างํากําหนดเอาอเวจีมหานรกเป็นที่สุดเบื้องสูงกําหนดเอาเทพชั้นปรานิมิตวัสวัตตีเป็นที่สุดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกามาวจรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นไน สภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับนึ่งในวัตทุกข์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นปามาวจรสิบสองรูปาวจระทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นไนะสภาวะธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติของผู้ที่กำลังอุบัติหรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่นับนึ่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้ คือเบื้องต่ํากาหนดโพรโมโลเป็นที่สุดเบื้องสูงกาหนดเทพชั้นอาการณิทพบเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นชไหนสภาวธรรมที่เป็นกลามาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปาวจรสบอรูปาวจระทุกกะ สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวาจรเป็นชนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิก ข, ของผู้เข้าสมาบัติของผู้ที่กำลังอุบัติหรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้คือเบื้องต่ำกำหนดเท่ผู้เข้าถึงอาปาสานันจรยตนะภพเป็นที่สุดเบื้องสูงกาหนดเทผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นที่สุด สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอรูปาวจรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นไนะงรามวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอรูปาวจร14ปริยาปนทุกละสภาวะธรรมที่นับเนื่องในวัตทุเป็นไนะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและ อ, ละอัพยากรต ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกลามวจรรูปาวจ ร, ร, วจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่านับนิ่งนวัตถุสภาวธรรมที่ไม่นับนึ่งในวัตถุเป็นไนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับนึ่งในวัตถุและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่นับนึ่งในวัตถุ15 นิยานิกะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุขเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับเนึ่องในวัตทุขสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุนำออกจากวัตทุขสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุขเป็นไนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุนาออกจากวัตทุเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยยาผลที่เหลือ ซึ่งเป็นการมาวจรรูปาวจรารูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุกได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุสิบหนิยตะทุกกะสภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นไนอ น, นันตรียกรรมห้ามิฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอน และมัลสีที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นไนเว้นสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมทีท่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกักปที่เหลือซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึงในวัตตทุกข์ได้แก่เวทนาขัน วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น 17. สิบเจ็ดสัุตระทุกกะสภาวะธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นชไหนะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภิยากฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรูรปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์ และถึงวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวะธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นไงมรรคผลของมรรคที่ไม่นับนึงในวัตทุและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า 18. สิบแปดจารณทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เป็นไน อคุโสรมูลสามคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศสรณโมนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมพยุดด้วยอกุศสรณโมนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีอกุศสรณโมนั้นเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เป็นฉไหน สภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภยากฤตซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตะทุได้แก่เวทนาขันละถึงวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อภิธรรมมาทุกกานนิเคปะจบ ตุตันติกะทุกกะนิเคปะหนึ่งวิชาพาคีทุกกะธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาเป็นไงธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยวิชาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นส่วนแห่งวิชาธรรมที่เป็นส่วนแห่งอวิชาเป็นไงธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอวิชาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นส่วนแห่งอวิชาสองวิชูปมะทุกกะธรรมที่เปรียบเหมือนสายฟ้าเป็นไนะ ปัญญาในอริยมรรคสามเบื้องต่ำทำเหล่านี้ชื่อว่าเปรียบเหมือนสายฟ้าทำที่เปรียบเหมือนฟ้าผ่าเป็นไนปัญญาในอรหัตมรรคอันเป็นมรรคเบื้องสูงทำเหล่านี้ชื่อว่าเปรียบเหมือนฟ้าผ่าสาภารทุกกะทำที่ทําให้เป็นพานเป็นไนความไม่ละอายบาปและความไม่เกรงกลัวบาปทำเหล่านี้ชื่อว่าทําให้เป็นพาน กุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทำให้เป็นพานธรรมที่ทำให้เป็นบัณฑิตเป็นไนความละอายบาปและความเกรงกลัวบาปธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำให้เป็นบัณฑิตกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทำให้เป็นบัณฑิตสกันหะทุกกะธรรมที่ดำเป็นไนความไม่ละอายบาปและความไม่เกรงกลัวบาปธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ดำ กุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทรรมที่ดำทำที่ขาวเป็นไนความละอายบาปและความเกรงกลัวบาปธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ขาวกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทำที่ขาวหตปณิยะทุกกะธรรมที่ทำให้เร่าร้อนเป็นไนกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำให้เร่าร้อน กุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทำให้เร่าร้อนธรรมที่ไม่ทำให้เร่าร้อนเป็นไ น, นกายสุจริตวจีสุจริตและมนุสสุจริตธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ทำให้เร่าร้อนกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าไม่ทำให้เร่าร้อนหอธิวัจนะทุกกะธรรมที่เป็นชื่อเป็นไ น, นการกล่าวขานสมัญญาบัญญัติโวหาร น, นามการขนานนาม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 การเรียกชื่อแห่งธรรมนั้นๆธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นนิรุตติธรรมทั้งหมดชื่อว่าเป็นเหตุแห่งนิรุตติ Article 8. ปบัญญัติทุกกะธรรมที่เป็นบัญญัติเป็นไฉนการกล่าวขานสมัญญาบัญญัติโวหารนามการขนานานามการตั้งชื่อการออกชื่อการระบุชื่อการเรียกชื่อแห่งธรรมนั้นๆธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบัญญัติ ทำทั้งหมดชื่อว่าเป็นเหตุแห่งบัญญัติ๙นามรูปะทุกกะบรรดาธรรมเหล่านั้นนามเป็นไฉนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่านามรูปเป็นไฉนะมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูป 10. อวิชชาทุกกะ อวิชาเป็นไนความไม่รู้ความไม่เห็นละถึงลิ่มคืออวิชาอากุศลมูลเพโมหะนี้เรียกว่าอาวิชาเพาะวะตันหาเป็นไนความพอใจพบละถึงความหมกมุ่นในพบในพบทั้งหลายนี้เรียกว่าภวะตันหาสิบเอ็ดภวะทิฏฐุกกะภวะทิฏฐิเป็นไน ความเห็นว่าอัตตาและโลกจะมีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าภวะทิฏฐิวิภวะทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกจกไม่มีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิภวะทิฏฐิสิบสอง สัสตทิฏฐุกะสัสตทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสัสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกขาดสูนดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าอุเฉธทิฏฐิสิบสาอันตวทิฏฐิทุกกะความเห็นว่ามีที่สุดเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกมีที่สุดดังนี้นทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปราสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความเห็นว่ามีที่สุดความเห็นว่าไม่มีที่สุดเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุดดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความเห็นว่าไม่มีที่สุดสิบสี่ปุพานตาทิฏฐิทุกระความเห็นปรารภส่วนอดีตเป็นไนทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสปรารภส่วนอดีตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความเห็นปรารภส่วนอดีตความเห็นปรารภสูนอนาคตเป็นไนทิฏฐิความเห็นผิด ความยึดถือโดยวิปลาสปรารลบส่วนอนาคตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความเห็นปรารลบส่วนอนาคตสิบห้าอหิริกะทุกกะอหิริกะเป็นไนกิริยาที่เมละอายต่อการประพฤติจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่เมลาอายต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมนี้เรียกว่าอาหิริกะอนโนตปะเป็นไน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 ความไม่เอือ้อเฟื้อภาวะแห่งผู้ไม่เอือ้อเฟื้อความไม่เคารพและการไม่รับฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบนี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิจฉั่วเป็นไนบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาทุศีลดับมาน้อยมีความตรนีมีปัญญาตามการเสพการซ่องเสพการซ่องเสพด้วยดีการครบการครบหาความพักดี ความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิรชั่วสิบแปโวัจสตาทุ ก, กะความเป็นผู้ว่างง่ายเป็นไนกิริยาของผู้ว่างง่ายภาวะของผู้ว่างง่ายความเป็นผู้ว่างง่ายความไม่ยึดถือข้างขัดผืนความไม่พอใจในการโต้แยง้งความเอื้อเฟื้อ ภาวะแห่งความเอื้อเฟื้อความเป็นผู้เคารพและการรับฟังในเมื่อถูกสหธรรมิกว่ากล่าวอยู่นี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่าง่ายความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นไนบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสสตมีจาคะมีปัญญาการเสพการส่องเสพการส่องเสพด้วยดีการครบการครบหาความพักดีความจงรักพักดี ต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิติสิบเอาปัติกุศลตาทุกกะความเป็นผู้ฉลาดในอาบัตเป็นฉนะอาบัตทั้งห้ากองเจ็ดกองเรียกว่าอาบัตปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสั ม, มาทิฐิที่เป็นเหตุฉลาดในอาบัตนั้นๆ นี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอาบัตความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัตเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ apple, ที่เป็นเหตุฉลาดในการออกจากอาบัตเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัาตยี่สิบสัมมาปฏิปุศลตาทุกกะความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัตเป็นไน สมาบัติที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีสมาบัติที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มี dentro, สมาบัติที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีปัญญายิรยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในสมาบัติแห่งสมาบัติเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติเป็นไน ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิที่เป็นเหตุฉลาดในการออกจากสมาบัติเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัตยี่สิบเอ็ด ธาตุกุศลตาทุกะความเป็นผู้ฉลาดในธาตุเป็นไงธาตุสิบแปดคือหนึ่งจักขุธาตุสองรูปธาตุสามจักขุวิญญาณธาตุสี่โสตธาตุห้สัตวธาตุหโสตวิญญาณธาตุเจ็ดคานาธาตุแปคันธาตุเก้าคานวิญญาณธาตุสิบชิวหาธาตุสิบเอ็ดรัศธาตุ 1ิบิวหาวิญญาณธาตุสิบสากายธาตุสิบสี่โหตถะพรธาตุสิบห้ากายวิญญาณธาตุสิบหกมโนธาตุสิบเจ็ธรมมธาตุสิบแปดมโนวิญญาณธาตุปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมาธิทิที่เป็นเหตุฉลาดในธาตุเหล่านั้น นี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในธาตุความเป็นผู้ฉ ล, ลาดในมนุษย์การเป็นไนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความเมตหลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในการพิจารณาธาตุเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการพิจารณา22องายตนะกุศลตาทุกกะความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะเป็นไนะ อายตนะสิบสองคือหนึ่งจักขาอายตนะสองรูปายตนะสามโสตายตนะสี่ศรัทายตนะห้าคานายตนะหคันทายตนะเจดชิวหายตนะแปดประสาายตนะเก้ากายายตนะสิบโหทพายตนะสิบเอดมณนายตนะสิบสองธรรมายตนะ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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนิปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิในปฏิจจสมุปบาทนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทยี่สิบสาม ฐานะกุศลตาทุกกะความเป็นผู้ฉลาดในฐานะเป็นไงนทำใดๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งทำใดๆลักษณะนั้นๆเรียกว่าฐานะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในฐานะนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในฐานะความเป็นผู้ฉลาดในอัานะเป็นไน ทำใดๆไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทำใดๆลักษณะนั้นๆชื่อว่าอาถนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิในอาถนะนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอาถนะ 24. ยี่สิบสี่อาชวะทุกกะความซื่อตรงเป็นไนะ ความซื่อตรงความไม่คดความไม่งอความไม่โกงนี้เรียกว่าความเป็นผู้ซื่อตรงความอ่อนโยนเป็นไนความอ่อนโยนความละมุนละไมความไม่แข็งความไม่กระด้างความเทียมใจนี้เรียกว่าความอ่อนโยนยี่สิบห้าขันติทุกกะขันติเป็นไนความอดทนกิริยาที่อดทนความอดกลั้นความไม่ดุร้าย ความไม่เกลี้วกราดความแช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าขันติโสระจะเป็นไนะความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าโสระจะแม้ความสำรวมในศีลทั้งหมดก็ชื่อว่าโสระจะ26สิบขันระยะทุกกะความมีวาจาอ่อนหวานเป็นไนะ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 ในลักษณะดังกล่าวมานั้นนี้เรียกว่าความมีวาจาอ่อนหวานการปฏิสันฐานเป็นไนปฏิสันฐานสองคืออามิสะปฏิสันฐานและธรรมะปฏิสันฐานบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปฏิสันฐานด้วยอามิสหรือมีปฏิสันฐานด้วยธรรมนี้เรียกว่าปฏิสันฐาน 27. อินทริเยสุอคุตตะทวารตาทุกกะ ความเป็นผู้มีคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นชไหนพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงําได้ไม่รักษาจากขุนศีไม่ถึงความสํารวมในจากขุนศีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโพธิภะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วรูถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมมณีสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงำได้ไม่รักษามณีสีไม่ถึงความสำรวมในมณนีส์ความไม่คุ้มครองกิริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมนี้เรียกว่า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 นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 28. อินทริเยสุคุตตะทวารตาทุ ก, กะความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายเป็นไนพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสัรวมในจกักุลสีซึ่งเมื่อไม่สัรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุธรรม คืออภิชาและโทมานะครอบงำได้ย่อมรักษาจากขุนสีย่อมถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องผดภลาด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในมะินนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอุศสธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงาได้ ย่อมรักษามนินสีย่อมถึงความสำรวมในมนินสีความคุ้มครองกิริยาที่คุ้มครองความรักษาความสำรวมนี้เรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไนพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคลายว่าเราบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมา ไม่ใช่เพื่อประเทืองผิวไม่ใช่เพื่อให้อ้วนพีแต่เพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตดินรีเป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาศุกจากมีแค่เราดังนี้แล้วจึงบริโภคอาหารความสันโดษ ความรู้จักประมาณการพิจารณาในโภชนาหารนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค